วิธีสลัจีวรที่เป็นนิสกีสลัดแก่สง์ภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาสง์ขมอุตราสง์เฉวียงบ่าข้างหนึ่งกราบเท้าภิกษุผู้แก่พรรษานั่งกระโยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญจีวรเพื่ น, นี้ของกระผมเกินกําหนดสิบวันเป็นนิสกีกระผมสลัดจีวรเพื่ น, นี้แก่สงขั้นสละแล้วแสดงอาบัตภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงรับอาบัติ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 ภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุหลายรูปห่มอุตราสง์เฉวียงบ่าข้างหนึ่งกลับเท้าภิกษุผู้แก่พรรษานั่งกระยงพระนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญจีวรผืนนี้ของกระผมเกินกำหนดสิบวันเป็นนิสกีกระผมสละจีวรผืนนี้แก่ท่านทั้งหลายครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัติภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงรับอาบัติพึงคืนจีวรที่เธอสละให้ด้วยกล่าวว่า 466ท่านทั้งหลายจงฟังข้าพเจ้าจีวรเถินนี้ของภิกษุชื่อนี้เป็นนิสกีเธอสละแก่ท่านทั้งหลายถ้าท่านทั้งหลายพร้อมกันแล้วพึงให้จีวรเพินนี้แก่ภิกษุชื่อนี้สละแก่บุคคล467ภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่งห่มอุตราสง์เฉวียงบ่าข้างหนึ่งนั่งประโยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านขอรับ จีวรผืนนี้ของกระผมเกินกําหนดสิบวันเป็นนิสกีกระผมสละจีวรผืนนี้แก่ท่านครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัติภิกษุผู้รับสละนั้นพึงรับอาบัติแล้วคืนจีวรที่สละให้ด้วยกล่าวว่ากระผมคืนจีวรผืนนี้ให้แก่ท่าน